11. อุปาทานโคจจกะหอุปาทานทุกกะ1นึ่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นฉนะอุปาทานสคือ 1. กามุปาทาน 2. ทิฏฐุปาทาน 3. สามศรีรพัตุปาทาน 4. อัตวาทุปาทาน1220บบรรดาอุปาทานสนั้น กามมปาทานเป็นไนความยึดมั่นในกามความกำหนัดในกามความเพลิดเพลินในกามตัณหาในกามสิเนหาในกาลความเร่าร้อนเพราะกามความลหลงไหลในกาลความหมกมุ่นในกามในกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามุปาทาน1221ทิฏฐุปาทานเป็นไนความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้ามารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกดังนี้ทิฏฐิ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 เวน้นศีลับพรตุปาทานและอัตวาทุปาทานแล้วมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐุปาทาน1222ศีลับพรตุปาทานเป็นฉไนสำนพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดปาชัดคือทิฏฐิกันดาลคือทิฏฐิ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 มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอัตวาทุปาทานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอุปาทาน1224สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นชนะไหนเว้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤิที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจ ร, ร และที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทาน 2. อ, อุปาทานิยทุกะ1225นสรสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉะไหนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยกฤต ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทาน1226สสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉไนมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 3. อุปาทานาสามปะยุตตทุกกะ 1.227 พันสองร้อยยสเ็ภาวธรรมที่สามปรยุติ้ด้วยอุปาทานเป็นฉไนสภาวธรรมที่สัมประยุติ้ด้วยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุต ด, ด้วยอุปาทาน1228 สภาวธรรมที่วิปปยุตจากอุปาทานเป็นฉไนสภาวธรรมที่วิปปยุตจากอุปาทานเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปปยุตจากอุปาทาน 4. อุปาทานณะอุปาทานียทุกกะ หนึ่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไนอุปาทานนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน12ึ่งพสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นไนเว้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศล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 1231สภาวธรรมที ass, 1, well, ่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเป็นฉนทิฏฐ <Congratulations amigos> ุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะกามุปาทานกามุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะทิฏฐุปาทานศีลพัตุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะกามุปาทาน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 สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานหนึ่งสองร้สองสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นฉไหนเว้นสภาวธรรมที่ ah เป็นอุปาทานเหล่านั้นแล้วได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานหก อุปาทานวิปยุตตะอุปาธานิยทุกกะหนึ่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไนสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเหล่านั้นคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยกฤะษซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและ รูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นนอารมณ์ของอุปาทาน1234สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉนยัยมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานโคจจกะจบทุติยภานวานในนิเขปกันจบ สิบสองกิเลสโคจัชกะหนึ่งกิเลสทุกกะ1235ัส ส, ส, สภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นฉะไหนกิเลสวัตถุสิบคือหนึ่งโลภะสองโทะสะ3โมหะสมานะหทิฏฐิหกวิจิกิจฉาเจีนะ8อุทธจักรเ9อหิอริกะ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 ธรรมชาติที่กระสิบยิ่งความกระสิบกริยาที่กระสิบภาวะที่กระสิบความโลภกริยาที่โลภภาวะที่โลภธรรมชาติเป็นเหตุจมสานไปความไข่ในอารมณ์ดีความกำหนัดในธรรมที่ไม่ควรความโลภเกินพอดีความติดใจกริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระยิ่มใจความปรารถนานัก กามตัญหาภวตัญหาวิภวตัญหารูปตัญหาอรูปตัญหานิโรตัญหาคือราคะที่สหรคตด้วยอุเฉทิฐิตรูปตัญหาสัทธตัญหาคันทตัญหารสตัญหาโพธพะตัญหาธรรมตัญหาโอคะโยคะคันทะอุปาทานอาวรนิวอ์เครื่องปิดบัง เครื่องผูกอุปกิเลสอนุัยปริยุทธานตัญหาเหมือนเถาวันความปราถนาวัตถุมีอย่างต่างๆมูลเหตุแห่งทุกขเหตุแห่งทุกขแดนเกิดแห่งทุกข์บ่วงแห่งมารเบ็ดแห่งมารวิจัยแห่งมารตัญหาเหมือนแม่น้ำตัญหาเหมือนข่ายตัญหาเหมือนเชือกตัญหาเหมือนสมุตอภิชา อากุตตลมูลคือโลภะนี้เรียกว่าโลภะ1237เ็โทสะเป็นไนความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแก่เราความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เราความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำความเสื่อมเสียแก่เราความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสีย กำลังทำความเสื่อมเสียจะทำความเสื่อมเสียแก่คนที่รักที่ชอบพอของเราความมาคาดเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเจริญกาลังทาความเจริญจะทำความเจริญแก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราหรือความมาคาดเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรจิตอาฆาตความขัดเคือง ความกระทบกระทั่งความแค้นความเคืองความขุนเคืองความที่จิตพลานไปโทสะความคิดประทุตรร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุนจิตธรรมชาติที่ประทุตรร้ายใจความโกรธกริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้ และความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรดความแค้นความดุร้ายความเครี้ยวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโทสะ1238โมหะเป็นฉไน ความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู s. <S ้ในทุกขสมุทัยความไม่ร <Homer throat> ู้ในทุกขณิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ในส่วนอดีตและส่วนอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมี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 อวิชชาโอคะคืออวิชชายโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุท ธ, ธานะคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอากุตลมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโมหะหนึ่งพันสมามนะเป็นฉไฉหน ความถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเลวกว่าเขาความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความยกตนความเทิดตนความเชิดชูตนดุจทงความยกจิตขึ้นความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามานะหนริทิฏฐิเป็นฉไน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 จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิความเห็นเป็นก้าสึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมัน่นความตั้งมัน่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลทัทธิอันเป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศ ความยึดถือโดยวิปปะล่ามีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าเป็นทิฏฐิ 1,241 อวิจิกิจฉาเป็นฉไนะปุุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิษขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคต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 ความไม่สามารถยังยึดถือโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพราไปความไม่สามารถยังลงยึดถือเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉาห2ึ2ถีนะเป็นฉไฉไนความหดหู่ ความไม่ควรแก่การงานความท้อแท้ความท้อถอยแห่งใจความยอ่อหย่อนกิริยาที่ยอ่อหย่อนภาวะที่ยอ่อหย่อนความถดถอยกิริยาที่ถดถอยภาวะที่ถดถอยแห่งใจนี้เรียกว่าถีนะหนอี 1, อุทธจจะเป็นฉไนะความสูงส่านแห่งจิต ความไม่สงบแห่งจิตความวุ่นวายใจความที่จิตพล่านไปนี้เรียกว่าอุทธจักรหนึ่งอหิวริกะเป็นฉไนกะิริยาที่ไม่ละอายต่อการประพฤติจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประกอบธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าอาหิริกะ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 หนัสสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นฉไนเว้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยกระที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอะรูปาวจรและไม่นับเนื่องในวัตตทุกได้แก่เวทนาขันวิญญาณขัน รูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกิเลส 2. สังกิเลสิกทุกกะหนึ่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นฉไนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุตลและอัพญากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นกายวจจ์รูปาวจรและอัรูปาวจรได้ แ, แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกิเลส1248สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุก์ และ้าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามันเป็นอารมณ์ของกิเลส 3. สังกิริทธาทุกกะ1249สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นฉนหนอากุตตลมูลสคือโลภโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอากุตตลมูลนั้นอันได้แก่เวทนาขัน วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีอกุตตลมูลนั้นเป็นสมุทฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทําให้เศร้าหมองหนึ่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นไนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจร อรูปาวจรและไม่นับเนื่องในวัตทุก์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองสี่กิเลสสัมปยุตตทุกกะ 1,251 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสเป็นฉไนะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่เป็นกิเลส ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยกิเล 1, สหนึ่สภาวธรรมที่วิปยุทธจากกิเลสเป็นฉไหนสภาวธรรมที่วิปยุทธจากกิเลสได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและทาทธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุทธจากกิเลสห กิเลสังกิเลสิกะทุกกะหนึ่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉกิเลสนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหนึ่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไฉ เว้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาศวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส 6. กิเลสสังกิริธาทุกกะ 1255สภาวธรรมที 52, make, make, make, make, make, make. ่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นไนกิเลสนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมอง1256สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไนเว้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วเวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่ากิเลสทําให้เจ้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส 7. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกะ1 2ึ่สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเป็นไนโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโลภะ โทสะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโทสะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิ วิจิกิจฉาเป็นกิเลสสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะถีนะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะ อหิวริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิวริกะอโนตตะปะเป็นก ok ิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตตะปะโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทธัจฉะอุทธัจฉะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโลภะ โทสะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะมานะ ทิิเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะถีนะ อหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอโนตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตัปปะโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะ อหิบริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสพราะอหิบริกะอหิบริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสพระโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสพราะอหิบริกะอหิบริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสพระโมหะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสพราะอหิบริกะ อหิวริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป uh ็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิวริกะอหิวริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิวริกะอหิวริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิวริกะ อหิวริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะถีนะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิวริกะอหิวริกะเป็น <loop> กิเลสและสัมปยุทธ์ด <ilian> ้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอโนตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิวริกะอหิวริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตัปปะ โลภะเป็นก you ิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอนโนตปะอนโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอนโนตปะอนโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอนโนตปะอนโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะ มานะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะ อ, อ, นา อ, อนโนตปะอนโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะ อ, อนโนตปะ อ, อนโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะ อ, น อ, อนโนตปะ อโนโตตะปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอนุตตะปะอนุตตะปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะถีนะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตตะปะอนุตตะปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอหิวริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตตะปะ อโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิวริกะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเล 58, สหนึ่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไนเว้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสได้แก э. ่ เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมประยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสแปดกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกะทุกะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบก้าสภาวธรรมที่วิปปยุตจากกิเลสแต่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นฉไหนะสภาวธรรมที่วิปปยุตจากกิเลสเหล่านั้นคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกฤษ ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหนึสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนะ มรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุก์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นนามณมของกิเลสกิเลสโคจัตชะกะจบ